กำลังรู้สึกตัวอยู่นะกำลังมีสติอยู่ขณะปัจจุบันย่าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยคอยรอมาหลงซีว่าสตินี่มันมีประโยชน์กับเราอย่างไรอันที่จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยก็คือชีวิตของเราหลวงพ่อคำเขียนท่านได้กล่าวไว้ว่าสติเนี่ยเป็นศูนย์รวมของชีวิตเลยก็ว่าได้ใครก็ตามที่ขาดสติ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 เนี่ย <introduction> บ bueno ุคคลเหล่านี้ขาดสติทั้งนั้นแต่ว่าการหลับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็พอจะให้อภัยแต่คนเมาหรือคนบ้าเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่มีสติการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราดูเถอะถ้าเราขาดสติเนี่ยจะมีผลเสียเป็นส่วนมากเช่นเวลาเรานั่งเมารอย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 ถ้าเราเผลสติเมื่อไรแล้วก็โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุมีมากถ้าเราไม่ประสบอุบัติเหตุบานนี้อาจจะเลยเลยตรอกเลยบ้านเลยทางแยกต้องกลับไปยูเทินใช้เวลาอีกนานอันเนี้เป็นจากการลืนสติขาสติทั้งนั้นเนี่ยทุกโทษของเขามีมากเพราะฉะนั้นเราต้องตระหตักถึงตรงนี้ให้มากเราต้องมาสร้างความรู้สึกตัว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 หรือบางครั้งเราอาจจะเอาลมหายใจเป็นนิมิตหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็มีสติเล็กรู้รู้ลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเป็นนิมิตหลับตามันก็ยังมีลมหายใจเราลืมตาลมหายใจก็ยังมีอยู่เป็นนิมิตได้เลยเป็นของจริง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 ต่อมาพอเรามาเจริญสติเนี่ยออาการเหน็บชา น, นนะน า, น า, านี่มันก็ดีนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตลอดเวลานี่ยมันก็ดีทําให้เรามีนิมิตในการเจริญสติเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรปฏิบัติเนี่ยเราเอาทุกขเวทนาคืออาการเหน็บชาเนี่ยมาเจริญสติได้เพราะฉะนั้นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายจะปวดเขา่าปวดหลังปวดศรีรษะหรืออาการแล้วก็ตามที่มัน เป็นและไม่รู้จักขายเนี่ยเราอย่าทิ้งมั น, เ, นเอาตัวนั้ น, น่ะมาเป็นฐานที่ตั้งของสติเลยมากำหนดรู้ทุกข์เลยทุกเขเวทนาเนี่ยไม่ได้มีให้เราเป็นทุกข์ไม่ให้เรากำหนดรู้ไม่ให้เราเกิดปัญญาแต่ข้อสำคัญคือเราอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ให้เราเป็นผู้เห็นทุกข์ซะทุกส่วนหนึ่งสติที่เข้าไปรู้นี่ส่วนหนึ่งให้มันแยกๆกันอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ ถ้าเราเข้าไปเป็นผู้ทูกแล้วเนี่ยใครเล่าจะเป็นผู้กำหนดรู้ตัวทุ ก, ทกเวทนาก็เอามาเป็นนิมิตได้ไม่กระตั้งความคิดนึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนี่ทุกครั้งที่มันคิดนึกเนี่ยหลับตามันก็คิดได้ลืมตามันก็คิดได้เพราะฉะนั้นเราลืมตาแล้วกำหนดรู้ในความคิดอหล่นั้นความคิดมันก็เป็นนิมิตเป็นของจริง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 เราเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติมาเจริญสติเราจะเห็นทุกเห็นเหตุของความทุกเห็นความดับทุกที่มีขึ้นในจิตในใจเราด้วยการสร้างสติอยู่เสมอๆนี่แหละคือการฝึกฝนจิตใจ